ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงความคิดของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะสัสรูเป็นพระพุทธเจ้าอีกเชเคยในข้อนี้รับสั่งเล่าไว้ในปฐมสูตรอโยคุรวัตม า, าวานสังยุตติกายก็เป็นใจความว่า พิสู์ทั้งหลายครั้งก่อนแต่การจัดสรุปื่อเรายังไม่ได้จัดสรุปยังเป็นพระโพธิสัตว์จูมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นหนนทางเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความจะเรินแห่งอิทธิบาททั้งสี่ประการคำว่าอิทธิบาทเนี่ยแปลว่าทรรมซึ่งจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ตนประสงค์เพราะนั้นคำว่าอิทธิที่เรามันเรียกว่าเป็นฤทธินะ์เนี่ยคือเราแปลเป็นฤทธิ์คือแปลเป็นสันสกฤตอิทธิก็แปลว่าความสําเร็จนด่นเด่นมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุมายความถ้าเหตุสมบูรณ์ผลเหล่านั้นก็สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยนะะถ้าเราศึกษาเรื่องอิทธิวิทามิเทศ เธอศึกษาให้ครบถึงกระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการของเหตุผลมีความสมเหตุสมผลอยู่ในตัวของอิทธิวิธิเองคําม่อิทิบาทมันเป็นธรรมะที่อยู่ในคำพิพังนะพิธรรมเวลาเรานํามาเรียนในปัจจุบันเนี่ยที่จริงเราก็ตัดข้อความออกไปนะเวลาท่านเรียกบาลีเต็มเเนี่ยท่านเรียกว่า จันทะสมาธิประธานสังขารสิแปล ว, ว่าจันทะมีสมาธิอาศัยจันทะเป็นประธานหมาความว่าทุกข้อเนี่ยมันจะมีตัวสมาธิที่อาศัยความพอใจคือจิตมันสงบโดยอาศัยความพอใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีประธานก็คือความเพียร ทุกข้อก็แสดงว่าจะต้องมีความสงบมีความเพียรแล้วก็มีความพอใจหรือมีความเพียรหรือมีความมุ่งมั่นหรือมีปัญญาก็แล้วแต่แต่เพิงสังเกตว่าเป็นธรรมะที่ในภาคปฏิบัติแล้วหมุนหนุนเนื่องกันไปถ้าถามมันเริ่มที่ไหนดูแลใกล้ๆจะเริ่มที่ฉันทนะแต่ถ้าเราลองสังเกตดีต้องเริ่มที่วิบังสาเพราะมันต้องหมุน วิบังคาคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผลเสียก่อนแล้วจึงปูกฝังความพอใจไม่ใช่ไม่ใช่พอใจไปเรื่อยๆคือจะต้องผ่านกระบวนการการคิดที่มีระบบเสียก่อนแล้วก็มองเห็นห น, นทางนะฮะมองมองเห็นห น, นทางว่าจะไปทางนั้นทางนี้ทางน้นนั้นก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับที่พระโพธิสัตว์ส่งทอดประเนษเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมันคิดแล้วมันย้อนต้นนะไปถึงคนเกิด ไปถึงตัวความเกิดทางออกไม่เจอว่าทำยังไงจึงจะไปทำลายตัวความเกิดได้และในสุดมันก็มองเห็นภาพของสมณะที่มีอาการกายว่าจาสงบลักษณะของสมณะจริงๆนะฮะก็เรกสันตะกายโยสันตะตวโยสันตะมนโนกายสงบประจาสงบใจสงบมีความสำรวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลาย เพภาพลักษณ์มันให้ความเชื่อมัน่นเพราะถ้าอาศัยภาพลักษณอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้และวิถีชีวิตอย่างเนี้ยมันก็จะช่วยให้หลุดรอดจากความเกิดได้เมื่อหลุดรอดจากความเกิดได้ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเกบ็บไม่ต้องตายไม่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปเพราะั้เราจะเห็นว่าตรงเนี้มันก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของความเป็นสัมณะ รูปแบบความเป็นสปนักก็กลายเป็นวิมังสาพิจารณาแล้วก็ปลูกฝังผอมใจเอาเนี้ยเป็นทางเลือกทีนี้ทางเลือกให้ลองสังเกตว่าเมื่อตอนจะเสด็จออกไปเนี่ยตอนเสด็จออกไปนั่นแหละแต่ยังไม่ได้พ้นรุงกรบินละพัดพยามานก็ปลอมตัวมาห้ามปรามด้วยความเป็นมิดนะฮะลอดด่อโดยเหยื่อชินเบอร์เลยสิทธัตถะจะได้ออกไปเลย อีกเจ็ดวันท่านก็ใหญ่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วมีหมาสมุดสาคอนทั้งสี่เป็นข้อเข็เป็นยิ่งใหญ่เหนือกว่ากษัตริย์ทั้งหลายกว่ากันไปพันนาสปปรรพคุณประโยชน์ยอยวิบังษาต้องเกิดล่ะมันต้องแยกแล้วตอนนี้มันเกิดมีตัวเลือกเคยจะเดินหน้าซึ่งเป้าหมายไม่รู้หยุดตรงไหนหรือจะถอยหลังเป้าหมายอยู่ใกล้ามากอีกเจ็ดวันท่นเองจะเจอเราจะเห็นถึงน้าพระทยที่ ยิ่งใหญ่แล้วก็เด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังเป็นราษกุมาร น, นะว่าในสุดท่านเลือกเอาทางซึ่งเป้าหมายยังไม่ชัดเจนแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นว่ามันมีฉันท่าก็พอใจเลือกทางที่เลือกแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย นายชนะแสดงอาการอะไรห้อยหาอะไรชะมากันตะกะเองแลแสดงการห้อยหาอะไรมันก็น่าจะละลาล ะ, ล, ะ, ล, ะลัง น, นะฮะแต่ก็มีความเชื่อมัน่นก้าวรุดไปข้างหน้าไปถึงมันเจออีกเรื่องหนึ่งอ่ะคือตอนที่พระเจ้าพิมพิสารจะถวายอังคาหรือมคกอกตานะฮะให้เลือกเอาแล้วก็แบ่งรายจ่สมบัติให้ครองไม่ควรจะเสด็จออกผนวดรรอกเสียดาย ความรู้ความสามารถที่จะอยู่ช่วยชาติบ้านเมืองกันนะี่ยโปรไม่ปรารถนาแสดงว่าตัวฉันทะกับวิมังสาเนี่ก็ทำงานประสานกันวิมังสาเป็นอาการของปัญญาแต่ว่าปัญญาภาคสนามคือพาัใช้งานแปลว่าการไตรซองพินิจพิจารณาโดยเหตุดยผลโดยรอบขอบโดยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมเสร็จแล้วมันก็ปลุกฝัง ฉันทาคือความพอใจวันก่อนจะพอใจมันก็ต้องผ่านการใช้ปัญญาแล้วเมื่อพอใจไปแล้วก็มีวิริยะในขณะที่มีวิริยะเนี่ยมันต้องมีปัญญาเขา้ากับตัววิริยะจะทําอะไรจะทําอย่างไรทําปทาโดยวิธีใดทําไปเพื่ออะไรทําแล้วจะได้ประโยชน์ยัยงไง ป, ปัญญามันจะเข้ากากับตัวความเพียรและในขณะเดียวกันจิตก็มุ่งมั่นเขาเรจิตตะเนี่ย มีจิตใจ จ, จดจ่อมมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายปลาทางตรงนั้นด้วยความเพียรพยายามไม่บวกแวกแต่ทํายังไงล่ะมันก็ต้องรักษาไอความมุ่งมั่นตรงนั้นเอาไว้ปัญญาก็จะตรวจสอบดูว่าเป็นไงใจมันแกว่งไหมคือจดจะตรวจสอบดูใจกันตัวเองแล้วมีมังสาก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะปัญญาก็ต้องตรวจสอบตัวตัวปัญญาเองที่นี่มันมันจะเดินไปได้หนุนกันได้ตลอด ทีนี้สมมติว่าสะดุดรูด้ตัวอย่างดูดูง่ายๆนะแก้ๆกับเราพิจนารณาแล้วอาหารนี้น่ารับประทานเราก็เกิดพอใจรับประทานแล้วก็รับประทานในขณะนั้นเน่ยมันมีจิตตะมันมีความเพียรมันมีความมุ่งมั่นแล้วพอรับประทานเข้าไปพอเข้าปากเราเคี่ยวพอเคี่ยวไปสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยปัญญาจะเกิดวินิจฉัยล้วควรจะกลืนหรือควรจะขายจริงหรือควรจะตรวจสอบดู ตรงตรงนั้นจะงักแหละความพอใจก็หดละมันหยุดนิ่งหมดแล้วในที่สุดเมื่อปัญญาวินิจฉัยว่าไปได้นะกระบวนการเคี้ยวมันก็เดินไปได้เรื่อยๆเพราะเรากินอาหารคําหนึ่งเราดื่มน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยอึกหนึ่งเนี่ยกระบวนการของอิทธิบาทเขาก็หนุนกันอยู่เนี่ยจะกินอาหารจะสนทนากันจะอ่านหนังสือเป็นกระบวนการของอิทธิบาทมันหนุนกันอยู่ตลอดไประยะเวลาเลยแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะเป็นผู้นํา ไม่ใช่ว่าพอใจอะไรไปเรื่อยๆในตรงนี้รับสั่งแสดงเป็นการเล่าให้ดูสภาพภายในซึ่งแน่นอนมันเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายนั่นแหละใครก็ตามที่ไปเจริญอิทธิบาทภาวนาในระดับที่เรายังไม่หนักแน่นมั่นคงเนี่ยมันก็จะเห็นอาการกวัดแกว่งอาการแกว่งของของธรรมะแต่ละข้อเนี่ยมันจะแกว่งแล้วถ้าคุมไม่ดีเนี่ยปัญญาวินิจฉัยไม่พอเนี่ยก็ตะเลิดไปหายไปเลย รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายความรู้ข้อนี้เกิดขึ้นแกเราว่าภิกษุนั้นๆย่อมเจริญอิทธิบาตตัวนี้อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะว่าคำว่าภิกษุในความหมายนี้เป็นการเรียกเรียกนักบวชที่มีอยู่ก่อนพระองค์หมายความว่านักบวชเหล่านั้นเน่ก็คือส ม, มณะที่ทรงทอดพระเนตรเห็น ที่เป็นเทวดาน่ะก็แสดงว่ามีอยู่ก่อนที่สถาบันสงฆ์เราจะเกิดขึ้นนักบวชประเภทนี้เรียกภิกษุหรือเรียกสัมมณะรเรียกบรรพชิตเนี่ยเป็นนักบวชที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยเขาเรียกตามอากาศคือเป็นผู้เว้นบาปเป็นผู้สงบแล้วก็บางทีก็เป็นผู้เที่ยวไปเพื่อพิกขาหรือเพื่ออาหารเพื่อก้อนเข้า ว่าภิกษุนั้นๆย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานากิจว่าคือคือสมาธิก็คือจิตมันสงบสงบในสิ่งที่เราพอใจสงบในสิ่งที่เราใช้ความเพียรสงบในสิ่งที่เราบุ่งมัน่นสงบในสิ่งที่เราพิจารณาไม่วอกแวกพูนง่ายวิจมันยังไม่วอกแวกแล้วก็มีความเพียรในการป้องกันในการบำบัด ในการบำรุงในการรักษาแต่พอดีพวกนี้เป็นกุศลธรรมในกุศลธรรมนั้นมันจะเหมือนแน่เรารับประทานอาหารคือเราทําหน้าที่รับประทานอาหารไปอาหารที่เราถารับประทานเข้าไปนั้นเองจะทําหน้าที่ป้องกันความหิวใหม่ให้ขจัดความหิวเก่าให้แล้วก็ขจัดเหตุให้หิวให้เพิ่มความอิ่มให้ เพิ่มเรียวแรงให้เพิ่มกำลังให้คือเราไม่พูดเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องป้องกันเรื่องบำบัดเรื่องรักษาแต่เราพูดเฉพาะบำรุงเพราะตัวบำรุงนั้นจะเป็นตัวหลักแล้วก็กลายเป็นสูตรธรรมดาตทั่วไปนะตรงนี้ถ้าเรามองโครงสร้างอริยสัตว์แล้วก็จะชัดเทียบเคียงกับการรักษาพยาบาลเนี่ย โรคอาการของโรคปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยเหมือนกับทุกข์สัตย์แล้วสมุทฐานของโรคที่ให้เกิดอาการอย่างนั้นน่ะก็เหมือนกับสมุทัยสัตว์นิโรธก็คือความหายจากโรคความสบายก็กลายเป็นนิโรธสัตว์หลักการวิธีการในการเดียวยารักษากินยาฉีดยาหรือบริหารร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะฮมันก็เป็นมรรคสัตย์ เพราะในกระบวนการเหล่านี้ก็คือกระบวนการอริยสัตว์แต่กลัวมรรคสัตว์เนี่ยเราพูดแบบเจริญหรือแบบบำเพ็ญหรือแบบกระทำหรือแบบหรือประพฤติอะไรก็แล้วแต่หมายความมากุศลที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดขึ้นทาให้เป็นขึ้นทําให้มีขึ้นแต่ว่าตามปกติในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยภายในจิตใจของเรามันก็มีกุศลอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีกันไม่พอใช้แต่นั้นเอง เวลาสอนเพื่อให้เพิ่มพูนพวกเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยตรงใช้ก็ว่าอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำให้เป็นญ า, าณผานะเป็นเครื่องอาศัยของจิตคือจิตมีพลังส่งเสริมสนับสนุนให้มีภูมิธรรมให้มีภูมิจิตที่สามารถต้านทานกระแสของอารมณ์ได้แล้วก็ป้องกันความชั่ว ที่ยังไม่เกิดไม่เกิดได้ขจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วได้แล้วก็เพิ่มพูนธรรมะให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นจนถึงสัมผัสความสุขความสงบความเยือกเย็นอะไรก็ตามนะก็แล้วแต่จะเรียกส่วนมากเราเรียกว่าสุขสงบเย็นแต่แถวเนี้ยนะเป็นอาการที่ถึงกันคือว่าเวลาพูดก็พูดสักคำหนึ่งคำไหนก็ได้ แต่บางครั้งบางคราวต้องการที่จะอธิบายก็อาจจะใช้คําหลายๆคําเราเห็นว่าธรรมะ ต, ตรงนี้ก็มีสมาชิที่อาศัยฉันทะแล้วก็ความเพียตรตกลงว่าเราเห็นองค์ธรรมในสามข้อแล้วตรงฉันทะในต่อไปก็เปลี่ยนเป็นวิรยิยะเป็น เ, เป็นจิตตะเป็นวิบังศาโดยโครงสร้างเดียวกันคือถ้าเรา เ, าเรียกเต็มที่ก็ ไม่ต้องไปจาําก็แล้วแต่ว่าก็เรียกเต็มที่ว่าเ อ, อฉันทะสมาธิประธานสังขารกิตะสมา อ, อจิตะสมาธิประธานสังขารจิตะสมาธิประธานสังขารวิบังคาสมาธิประธานะสังการก็เรียกอย่างนั้นแต่ข้อควา ม, มอื่นเหมือนกันนะครเพราะว่าธรรมะเหล่านี้เขาทํางานด้วยกันคือไม่จะแยกกันทําอย่าง อย่างพวปรมาฮานอย่างปรมาฮานในที่จริงมันแยกกันทาตามกรณีของบุคคลในขณะนั้นๆสาตร์ทั่วไปเราก็ใช้เมตตาคนประสบปัญหาก็ใช้กรุณาคนประสบความเจริญก้าวหน้าก็ใช้มุทิตาคนกำลังประสบผลกรรมก็ใช้เบียกขาคือเวลาใช้ใช้ทีละข้อแต่อิทิบาทไม่ได้ใช้ต้องครบเลยท้าม่ครบแล้วกแกว่งแกว่งจะสาย ใจเราก็จะไม่สงบเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงอาการเหล่านี้ให้เห็นว่าด้วยการอย่างนี้ฉันทะของเราย่อมมีในลักษณะที่จะไม่ย่อหย่อนเพราะอะไรเพราะว่ามีสมาธิคือตั้งมันแล้วก็มีประธานะคือมีการป้องกันมีการบำบัดมีการบปรุงมีการรักษาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเข้มข้นเกินไปเนี่ย ไม่ว่าอะไรก็สายเช่นสมมุติเราทํางานหนักเกินไปเนี่ยใจมันสายออกนอกแล้วไปไหนไปไปไหนก็ไม่รู้นะให้เราสังเกตดูแม้แต่เรากินอาหารเนี่ยถ้าอาหารเราเกิดไม่พอใจแล้วใจมันสายแลย้ววิ่งไปที่อื่นนะมองซ้ายมองขวาบางทีก็ลุกขึ้นไปซื้ออาหารใหม่เลยหรือว่าสั่งให้คนไปซื้อมาเลยเพราะงั้นถ้าถ้าเอาจริงเอาจังเกินไปเข้มงวดเกินไปเนี่ยก็สาย ในขณะเดียวกันก็ไม่สยบติดไม่เพลิอนอยู่ตรงนั้นคือติดยังติดสุขติดสมาธิติดความสงบติดสิ่งที่เราพอใจมันก็ติดติดมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็จะไม่สายไปในภายนอกอย่างที่บอกว่าถ้าสมาธิมันอ่อนหรือว่าความเพียรมันย่อนหรือฉันทะก็ อ, อ่อนใจจะสายในขณะที่ความเพียรเนี่ยถ้าความเพียรมัน ฉันท่าก็อ่อนความเพียรก็อ่อนตามนะฮะพอความเพียรอ่อนแสดงความมุ่งมั่นก็อ่อนมั่นอ่อนไปหมดย่อบไปหมดเลยทั้งชุดเหมือนกันพวกนี้ถ้าเข้มข้นเขาเข้มข้นด้วยกันถ้าพอดีก็พอดีด้วยกันถ้าหย่อนก็หย่อนด้วยกันแล้วเราเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในการก่อนและการเบิกหน้าอยู่ด้วยหมายความว่า ในขณะที่ทรงกระทําบําเพ็ญทรงพริจารณาถึงอิติบาตั้งสี่ประการเนี่ยก็มีความรู้สึกทั้งก่อนหน้านั้นแล้วก็ทั้งขณะนั้นและขณะต่อไปเห็นไม่ไปเชื่อมโยงกับการนี่ครับคือเรื่องการเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเลยเพราะว่าชีวิตเรามันไปเกี่ยวข้องยึดโยงอยู่กับการทั้งสามแล้วก็การที่เราผ่านมาประสบจริงๆมากเป็นพิเศษก็คืออดีตการที่เราประสบมามาก ก็รับสั่งว่าต่อไปเป็นเช่นใดก่อนนี้ก็เป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเช่นใดเบื้องบนก็เช่นนั้นเบื้องบนเช่นใดเบื้องล่างก็เช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกับกลางคืนหมายความว่าทรงควบคุมธรรมะทั้งสี่ข้อเนี่ยดาเนินหนุนช่วยกันไปตลอดไม่ว่าจะจะเป็นยังไงก็ตามคุณมันอยู่กับปัจจุบันขน เป็นความพโพรงของปัญญาก็ เ, าเรียกว่าชากริยานุโยกประกอบความเพียรจนเกิดตื่นแล้วไม่ง่วงนะไม่ง่วงมันเพลินไปไม่ได้ใส่ใจสนใจที่จะหลับที่จะนอนอะไรเกิดบัณฑ์ก็เกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมากลางคืนก็เหมือนกลางวันกลางวันก็เหมือนกลางคืนเธอย่อมอบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยทั้งจิต อันเปิดแล้วหมายความมีอโลกะคือไม่แสงสว่างปรากฏขึ้นในในตาข้างในนะฮะไม่จะตานอกหมายความมนเกิดที่ตาจิตเนี่ยเป็นปัญญาจากสุซึ่งเกิดขึ้นภายในที่เราพบในธรรมจักรทรงใช้คำว่าอะโลกะคือมันเป็นแสงสว่างพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรไปผัวพัพ่นจิตคือจิตสงบนะตอนนี้มันจิตสงบไม่ใช่ไม่ใช่จัสรุแล้วนะฮะ คือยังเป็นธรรมดาอยู่แต่ว่าจิตมันจะสงบลงแล้วก็ให้จิตมันจะเริญอยู่ด้วยอิทธิบาททั้งสี่ประการโดยการอย่างนี้หนุนเนื่องกันไปเรื่อยๆตนแนวการบิบัติเหล่านี้มีความจำเป็นมากคือจากการสังเกตในปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าคนก็เราติดสุขนะ จิตสุขมันจิตสุขสบายมากเกินไปแม้เด็กมาจะต่างจังหวัดเนี่ยเราพยายามคุยแ ก, ก, ก่ๆทาความกระจายแก่ๆอย่างเด็กที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยแกซื้อของห้างสรรพสินค้าตลอดเป็นเรื่องที่แปลกเลยบอกว่าทําไมรถนิยมสูงรายได้ยังน้อยอยู่ทําไมต้องรถนิยมสูงกินอยู่เท่าที่กินอยู่ได้สิทําไมจะต้องหรูหราคู่ฟ้ากันอย่างนั้น แล้วบางทีเด็กนักเรียนวัดวรเนี่ยเธอพักเที่ยงเธอก็มาซื้อของเจเซเว่นอีวเลว่นี่ยแถ ว, วนนะแต่บางลำพูยนยะแต่มานั่งกินอยู่หน้ากุฏิเราถาม็ราสยองเลยนะถามว่าขวดเท่าไหรกลองเท่าไร่แก้วหนึ่งเท่าไรเนี่ยมันแพงได้เกิไม่น่าเชื่อเลยก็แสดงว่าความคิดที่ถูกบังคับให้สายไปให้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะดึงจิตไปผัพวพันจะต้องทันสมัยไม่งั้นจะเป็นคนเชยเป็นคนล้าสมัยจะต้องมีรถสัญยมสูงแม้แต่ยานพาหนะต่างๆบังก่อนไปเจอรถเบน์ห้าร้อยไปถามก็ราคาเท่าไหร่ก็บอกสามสิบล้านกว่าแหมหน้าตั้งเป็นกองทุนจังเลยเร า, าตั้งเป็นกองทุนช่วยอะไรสังคมได้เยอะนะฮะส0มสบล้านเนี่ย สวยการกุศล ต, ต่างๆนี่ได้มากมายกก่กองพอได้เป็นรถมันกนั่งคนเดียวสองคนแต่ว่าคนมีเงินเขาไม่คิดนะนะคนที่คิดก็ไม่มีเงินมันเป็นปัญหาที่ขัดแย้งกันยังนึกว่าถ้าคนที่เขาร่ำรวยมากๆเนี่ยเขาคิดเหมือนกับที่คนบําเพ็ญกุศลทั้งหลายก็คิดว่ามือจะดีขึ้นเยอะเลย แล้วถ้าเราม อ, มองกลับไปที่แนวของพระพุทธเจ้าเราสังเกตว่าพระพุทธเจ้านั้นจะสอนให้คนใช้ศักยภาพก็เต็มที่แล้วพอเขาร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมามันก็เหมือนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้นกานสาขาให้คนอื่นก็ได้อิงอาศัยในพุทธาสนาจึงมีเศรษฐีใจบุญ ตั้งโรงทานแจกจ่ายสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ประชาชนแก่สังคมต้องการความสุขนี่เป็นประการสำคัญก็ต้องการบุญต้องการความสุขซึ่งเป็นผลซึ่งเป็นตัวบุญจริงๆนะฮะตัวความสุขนี่ก็เป็นบุญจริงๆแต่ว่าความคิดแ น, แนวปนปลือตัวเองเพลิพนตัวเองก็หลงไหลกับตัวเองเนี่ยมันก็มีมาก เพราะฉันคนที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากแผ่นดินเนี้ยแผ่นดินซึ่งบรรพชนของทุกคนได้ดูแลรักษามาด้วยกันกลายเป็นคนได้โอกาสได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้มากกว่าคนอื่นถึงแต่หากว่าคิดจะมีน้ำใจหน่อยมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อย่างน้อยก็แบ่งไว้สักส่วนหนึ่งนะครับเพื่อสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เวลานี้บางครั้งบางคราวเอามาก็เห็นใจบางก่อนอนี่ไปเรียกเอกสารที่กรมการศาสนามาดูถึงพระที่ก็ขึ้นแรกลิตเอาไว้ในโอโหเยอะจังแต่ว่าที่เข้าไปที่ม อ, อนี่มีสิบกรูปเราก็ได้ฟวงบ้างไม่ควางบ้างนะฮะแต่ว่า คือมีความรู้สึกว่าท่านไม่ทำงานก็ดา่าท่านทำงานก็ดา่าทำยังไงมาพบกันตรงกลางได้คือที่ท่านทำก็ออกจะตึงเกินไปนะฮะเร้วแล้วก็หรือย่อหย่อนเกินไปก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็หาจุดกลางในการประสานประโยชน์ประสานความคิดกันเพื่อไม่ให้หนักไปในด้านใดด้านหนึ่งคืองานก็ต้องมีแหละแต่ว่า ถ้าทำงานโดยไม่มีเงินเข้าสนับสนุนเขาก็ทำไม่ได้นะจะรายการวิทยุต่างๆที่พระเขาทำก็ต้องมีคนช่วยเรื่องเงินเรื่องทองนั้นจะทำได้อย่างไงล่ะเขาไม่ให้ฟรีหรอกนอกจากว่าบางรายการที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ให้จำนวนหนึ่ง ก, ก็ให้ได้แต่จะให้พระไปจัดการกิจกรรมทุกองในเ้า ก, ก, ก็ให้ไม่ได้แร้วปัญหาเหล่านี้ก็เลย ไม่พยายามที่จะจุดกลางพวกไม่ทําก็ดา่าพวกที่ทําแล้วก็ตัวเองก็ไม่ทําแล้วก็หาทางออกให้ไม่ได้คือไม่หาทางออกให้อย่างที่บอกว่าเป็นแนวความคิดแบบพวกเอ็จอทั้งหลายเนี่ยด่าเขาอย่างงั้นนะฮะเสร็จแล้วไม่หาทางออกให้และตัวเองก็ไม่รู้ทางออกจะทําไปเพราะว่าตัวเองก็ดีแต่พูดแต่ด่าเขามันะเป็นปัญหาที่น่าขววงต้งฟังแต่ไร และรมปแบบบทยาณในวันนี้ข อ, อยุดติไว้โดยเวลาเป็นครนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณนธรรมจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี